ล้วรู้เห็นว่านังสือพูดอะไรกับคุณคุณจะเข้าใจคำว่าอะไรอย่างหนึ่งที่เป็นตังหากจากใจนั้นได้ชัดขึ้นถ้าทราบว่าแม้แต่ละลออความคิดหนึ่งหนึ่งก็ถือเป็นสิ่งกระทบใจนี่คือความจริงความคิดเป็นตังหากจากใจถูกใจรู้ได้ว่าเมื่อใดสงบจากความคิด